บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปการที่พระบุมีพระภาคเจ้าทรงแสดงหลักปฏิบัติกรรมฐานตามนยะแห่งมหาสติปฐานสูตรนั้นนอกจากเพื่อวัตถุประสงค์ ดังที่กล่าวมาแล้วโดยลาดับยังมีพระประสงค์ที่จะถ่ายถอนความคิดเห็นซึ่งท่านเรียกว่าวิปลาสคือความเห็นที่คลาดเคลื่อนไม่ตรงต่อความเป็นจริงซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของสามั ญ, ญชนทั้งหลายวิปลาสนั้นได้แก่ความคิดเห็นที่วิปลาส ความกำหนดหมายที่วิปลาสและความรู้ที่วิปลาสคือไม่ตรงตามเป็นจริงจำแนกออกไปเป็นสีประเภทด้วยกันประเภทแรกได้แก่การเห็นซึ่งสิ่งซึ่งตามปกติไม่สวยไม่งามว่าเป็นของสวยงามเรียกว่าสุสภาพวิปลาส เมื่อเกิดความคิดเห็นขึ้นมาในลักษณะนี้จิตใจของบุคคลก็เกิดไปกำหนดหมายโลกแข่งสัมผัสคือรูปเสียงกลิ่นรสผธพะที่มากระทบตาเป็นต้นรูปเป็นของสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้อง เมื่อใจเกิดไปกำหนดหมายเช่นนี้ข้าวความใคร่ความปรารถนาสิ่งเหล่านั้นก็บังเกิดขึ้นเป็นการเพิ่มปริมาณของกิเลสสายโลภะให้สูงขึ้นภายในจิตใจของบุคคลในที่สุดการแสวงหาของบุคคลเพื่อสนองตอบความต้องการของตน <c oughs> ก็จะสับสนไปในลักษณะต่างๆหากว่า คุมไว้ภายในใจไม่ได้แสดงออกมาทางกายหรือทางวาจาก็เป็นการสแสวงหาในทางที่ทุจริตหรือมิจฉาอาชีวะได้แก่การเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดแม้ว่าความรู้สึกนั้นจะมีอยู่เพียงภายในจิตใจแต่จะก่อให้เกิดความเล่าร้อนความกระซับสายแห่งจิตใจ ไปในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นข้อนี้พระพุทธมีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้โดยในยะหนึ่งว่าบุคคลซึ่งมีปกติเห็นว่าสวยงามในสิ่งทั้งหลายจะออกผลมาในรูปของการไม่สำรวมระวังอินทรีย์คือไม่สำรวมตาไม่สำรวมหูไม่สำรวมจมูกไม่สำรวมลิ้นไม่สำรวมกาย จิตใจของบุคคลเหล่านั้นก็จะสายไปตามสิ่งที่จิตใคร่จิตต้องการและทุกครั้งที่ไปมองเห็นและเกิดกำหนดสิ่งเหล่านั้นว่าสวยงามเป็นต้นความเข้มข้นของกิเลสก็จะสูงขึ้นโดยนิยะที่ได้กราบ ม, มาแล้วและเมื่อขาดการสำรวมระวัง ก็จะขาดการรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารคือมุ่งที่จะสนองตอบความอยากที่บังเกิดขึ้นในเรื่องอาหารนั้นๆก็ต้องเดือดร้อนไปในเรื่องของการบริโภคความเพียรพยายามในการที่จะยกระดับจิตของตนให้เหนืออํานาจของอารมณ์เหล่านั้นก็จะอ่อนลงไปศรัทธา ต่อคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาก็จะไม่ตั้งมั่นภายในจิตใจก็กลายเป็นปฏิกริยาลูกโซ่ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจให้เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นนันดังนั้นพระพู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงความจริงในเรื่องของกายเป็นต้นให้บุคคลพิจารณาเห็นถึงสภาวะที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้น ด้วยอสุภาสัญญาคือมีการกำหนดหมายเช่นเดียวกันแต่ให้กำหนดหมายที่ตรงต่อความเป็นจริงยิ่งขึ้นคือสิ่งเป็นสิ่งอะไรเป็นอย่างไรก็ให้กำหนดหมายสิ่งนั้นโดยฐานะอย่างนั้นเช่นกำหนดหมายเห็นว่ารูปเป็นของไม่สวยไม่งามเพราะประกอบด้วยสิ่งปฏิกูลต่างๆ ที่มาผสมมาประชุมกันอยู่ไม่ว่าจะโดยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นโดยที่เกิดหรือโดยที่อยู่ก็ตามตนแล้วแต่มีความสุกปรกน่าเกลียดด้วยกันทั้งนั้นต้องหมันชาระล้างสิงสกปรกเหล่านั้นให้ออกไปจึงสามารถดํารงอยู่ได้และบางครั้งบางคราวก็ต้องอบด้วยกลิ่นหอมต่างๆ เพื่อกระจัดกลิ่นที่ไม่พึงปรารถนาออกไปซึ่งเป็นเรื่องที่บุคคลผู้ใช้ปัญญาเพียงพิจิพิจารณาเพียงเล็กน้อยก็จะเกิดความเข้าใจได้ในทางตรงกันข้ามนี้เองเมื่อบุคคลมองเห็นเช่นนั้นใจก็ไม่สายไปแสวงหาดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปถูกต้องสัมผัสเป็นต้น ข้อนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาอะไรที่ใจไม่ยินดีเพลิดเพลินใจก็ไม่ปรารถนาที่จะไปดูไปฟังสิ่งเหล่านั้นการสำรวมระวังอินทรีย์ซึ่งเป็นหัวต่อในการปฏิบัติธรรมะที่สำคัญก็จะบังเกิดขึ้นในการบริโภคพัตตาหารที่อยู่อาศัยหรือเครื่องนุ่งห่มก็ตาม บุคคลก็จะใช้ปัญญาพินิษพิจารณาสูงยิ่งขึ้นเช่นในการบริโภคอาหารก็พิจารณาว่าการบริโภคอาหารนี้ไม่ใช่เพื่อเล่นเพื่อสนุกเพื่อความสำราญหรือเพื่อความอรุณอร่อยเพื่อแสดงสถานะของตนแต่ประการใดแต่การบริโภคอาหารนี้เพื่อกระจัดความหิวเก่าป้องกันความหิวใหม่ ให้ร่างกายมีกำลังเจริญเ ต, ติบโตสามารถประกอบกิจการงานได้เท่านั้นเมื่อเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการบริโภคอาหารเช่นนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องไปใส่แสวงหาเพื่อสนองตอบความต้องการของตนหรือความอริยอร่อยทางลิ้นมากจนเกินไปในชั้น ท, ทั่วไปก็จะแก้ปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องซึ่งเป็นปัญหาที่ถาวรของมนุษยชาติได้ ในชั้นที่สูงขึ้นไปกว่านั้นก็จะมองเห็นว่ากายนี้เป็นที่รวมของอาหารนานาชนิดซึ่งประกอบขึ้นจากเนื้อสัตว์นานาชนิดและผักนานาชนิดร่างกายจึงเปรียบเหมือนกับท้องของมนุษย์จึงเปรียบเหมือนกับป่าช้าใหญ่ที่เป็นที่ทิ้งซากศพของสัตว์ต่าง ความเพลิดเพลินยินดีในกายก็จะอ่อนลงทั้งกายตนและกายบุคคลอื่นศรัทธาความเชื่อมัน่นในคุณของพระผู้มีพรุทธเจ้าในธรรมะของพระพุทธองค์ก็จะบังเกิดสูงขึ้นภายในจิตใจทําให้ความผ่องใสปราศจากขุนมัวบังเกิดขึ้นมองเห็นเหตุมองเห็นผล ในการดํารงชีวิตยพยายามเลือกหาสาระที่แท้จริงของชีวิตให้ได้ความเพียรพยายามของบุคคล น, นั้นก็จะดําเนินไปในหลักที่เรียกว่าสัมมาวายามะคือความพยายามชอบจิตของบุคคลทั้งสองประเภทนี้ประเภทแรกนั้นทรงอุปมาเหมือนกับต้นไม้ที่เกิดขึ้น ริมภูเขาขาดเมื่อถูกลมพัดกระโชกมาโอกาสที่จะหักโค่นลงก็มีได้ง่ายจิตใจของบุคคลที่ไปกำหนดหมายด้วยสุภาสัญญาคือว่าสวยงามเป็นต้นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่การที่บุคคลไปกำหนดหมายถึงความจริงแห่งสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงจิตเขาก็จะมีความเข้มแข็ง ซึงทรงอุปมาว่าเหมือนกับภูเขาศิลามีแท่งทึบไม่หวั่นไหวต่อลมซึ่งพัดจากมาทั้งทิศจากทิศ ท, ทั้ง4ีเนั้นนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์ในการที่จะถ่ายถอนวิปลาสข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งนั้นคือการที่ใจของบุคคลไปกาหนดหมายไปมีความเห็นไปมีความคิดว่า สิ่งซึ่งโดยปกติแล้วเป็นของไม่เที่ยงแต่ไปกําหนดหมายว่าเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนความเห็นที่ท่านกล่าวนั้นหมายถึงว่าจะต้องเป็นความเห็นด้วยปัญญาแต่ความเห็นในลักษณะที่คลาดเคลื่อนเช่นนี้ปัญญาที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลน้อย ก็ไปกาหนดหมายในลักษณะดังกล่าว ท, า ท, าทั้งๆที่ตัวอย่างสิ่งบุคคลและอารมณ์ที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่นั้น <c oughs> ก็มีความแปรปรวน <c oughs> เปลี่ยนแปลงปรากฏให้เห็นกันอยู่ตลอดเวลาแต่เนื่องจากอาศัยการเกิดสืบเนื่องกันมาที่เรียกว่าสันตติดังที่กล่าวแล้วปิดบังเอาไว้ บุคคลจึงไม่อาจมองให้ประจั์ชัดถึงความจริงแห่งสปปรรพสิ่งความส ำ, สำคัญมั่นหมายในลักษณะต่างๆดังกล่าวแล้วจึงบังเกิดขึ้นในข้อนี้ก็ทรงแสดงให้เห็นถึงสัจจะความจริงภาษาภาษสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นของไม่เที่ยงเพราะเหตุว่าเกิดขึ้นแล้วจะต้องเสื่อมสลายไป ในขณะที่ดำรงอยู่ก็มีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและช่วงของการดำรงอยู่ก็เป็นการดำรงอยู่เพียงช่วขณะเท่านั้นเองขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยของสิ่งเหล่านั้นขณะอาจจะนานอาจจะเร็วก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยของความดำรงอยู่แต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือว่า สังขารทั้งหลายนั้นเป็นของไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดแต่ว่าความรู้ความเห็นในชั้นปริยัตินั้นคือชั้นของการเรียนรู้ชั้นของการอ่านก็มีได้แต่จุดที่ต้องการจะถ่ายถอนนั้นต้องการถ่ายถอนความยึดติดด้วยอำนาจของทิฏฐิคือความเห็นที่ผิด เช่นว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่บังเกิดขึ้นแล้วสามารถที่จะน้อมมาพิจนินต์พิจิตรพิจารณาเข้าหาตัวเองแล้วก็โยงเข้าไปหาบุคคลอื่นจนมองเห็นว่าเป็นอย่างเดียวกันคือเป็นของไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดก็จะถ่าย t อนความยึดมั่นถือมั่นลงไปได้แต่ว่าโดยหลักทั่วๆไป มีข้อที่ควรสังเกตอยู่ประการหนึ่งก็คือว่าทาั้งๆที่ท่องได้จำได้และสามารถที่จะอธาาิบายได้แต่เมื่อประสบด้วยตัวเองก็ไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นโดยเฉพาะคือความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่พึงปรารถนาใจของบุคคลก็ยังคงปฏิเสธอยู่ถ้าเป็นเช่นนี้ก็ถือว่า ยังเป็นทิฏฐิวิปลาดคือความคิดเห็นที่คลาดเคลื่อนจากความจริงจูเนื่องจากไม่ได้รับผลแห่งความเห็นเหล่านั้นประการที่สนั้นได้แก่การเห็นสิ่งซึ่งเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขความคิดเห็นในลักษณะนี้เกิดขึ้น เพราะว่าใจของบุคคลเข้าไปยึดถือในลักษณะโดยที่กล่าวแล้วด้วยแตในขณะเดียวกันความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ปรากฏเกิดขึ้นนั่นเองก็ทำให้บุคคลเห็นว่าชีวิตนี้มีความสุขสิ่งที่ปิดบังเอาไว้ท่านใช้คำว่าอิริยาบถคือความเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั่งนานปวดเกิดทุ ก, กเวทนาขึ้น ก็เปลี่ยนอริยาบทหรืออาจจะเดินอาจจะยืนเป็นต้นอาการเหล่านั้นก็บันเทาเบาบางลงไปแต่ในแง่ของความเป็นจริงแล้วทรงแสดงว่าสังขารทั้งหลายนั้นเป็นทุกข์เป็นทุกข์อย่างไรเป็นทุกข์เพราะว่าแต่ละอย่างนั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุจากปัจจัยทั้งหลาย เป็นทุกข์เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วดำรงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้แม้จะทนอยู่ได้ก็ทนได้ยากอย่างทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นที่ท่านแสดงว่าเป็นทุกขเพราะทนได้ยากแต่เป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องทนก็ทนกันไปและมีอาการเบียดเบียน ให้เกิดความเร่าร้อนด้วยประการต่างๆลักษณะเหล่านี้เป็นเครื่องบ่งบอกให้เห็นว่ามีอยู่ในสัตว์และสังขารทั้งหลายคือสัตว์และสังขารทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยดารงอยู่ในสภาพเดิมของตนไม่ได้เช่นจากเด็กเล็กเป็นเด็กโตจากเด็กโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นต้น เป็นภาพเป็นเหตุการณ์เป็นบุคคลที่สามารถดูกันได้และในขณะเดียวกันก็มีอาการเบียดเบียนแผดเผาก่อให้เกิดความ ร, าร่าเรอนแก่บุคคลด้วยประการต่างๆไม่ว่าอะไรก็ตามแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าความสุขเช่นว่าการได้วัตถุสิ่งของที่ใจบุคคลปรารถนาแล้วก็ได้สิ่งนั้นมา หากจะมองกันเพลินๆอาจจะรู้สึกว่าเป็นสุขหรือเกิดแต่ถ้ามองให้ซึ้งลงไปเป็นการตรวจสอบสภาพจิตในขณะนั้นๆจะพบว่าความชื่นชมยินดีนั้นมีอยู่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นต่อแต่นั้นจะออกมาในรูปของความวิตกกังวลความห่วงใยการอรารักขาการป้องกันเพราะว่ากลัวสิ่งที่ ตนรักใคร่ตนปรารถนานั้นจะอันตรธานไปหรือสูญหายไปด้วยภัยอย่างใดอย่างหนึ่งช่วงของความมีตกกังวลจึงมีมากและแม้ในเรื่องอื่นๆเช่นว่าการรับประทานอาหารที่ถูกปากแล้วก็ให้ความสุขแต่เมื่อเปรียบเทียบกันก็จะพบว่าก่อนที่จะมาเป็นอาหารได้รับประทานเข้าไป หรือว่าหลังจากรับประทานเข้าไปแล้วเป็นเรื่องของความทุกข์ทางนั้นทุกในการประกอบกระทำและทุกในการที่จะให้อาหารย่อยไปถ้ามากไปก็อึดอัดเดือดร้อนเป็นต้นในเรื่องเหล่านี้ทรงรับรองเหมือนกันว่าเป็นสุขแต่ว่าเป็นสุขน้อยมีทุกข์มากอย่างที่รับสั่งว่า กวามนี้มีสุขน้อยแต่มีทุกมากคือความสุขนั้นมีอยู่แต่เมื่อเทียบกันกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะปรารถนาสิ่งเหล่านั้นหรือเพราะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นแล้วห่างไกลกันเหลือเกินข้อที่ไม่ควรลืมอีกประการหนึ่งก็คือว่าความหมายของคำว่าทุกข์ที่ทรงแสดงไปนั้นไม่ได้หมายเพียงว่าจะต้องเบียดเบียนร่ำรอนเท่านั้น แต่หมายถึงสิ่งอะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยและรักษาสภาพเดิมของตนไว้ไม่ได้สิ่งนั้นก็ชื่อว่าเป็นความทุกข์ทั้งหมดแม้แต่ความสุขเองก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยและรักษาสภาพเดิมอยู่ไม่ได้มีการเบียดเบียนความสุขให้น้อยลงหรือเพิ่มขึ้นตัวความสุขในชั้นของโลกิยะจึงถือว่าเป็นความทุกข์ ในแง่ของความจริงที่แท้จริงท่านจึงแสดงว่าทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับแต่เนื่องจากอิริยาบทมาปิดบังเอาไว้ความเห็นที่วิปลาสในเรื่องนี้ก็บังเกิดขึ้น คือแทนที่จะเห็นว่าสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ใจก็ไปกาหนดหมายไปมีความเห็นว่าสังขารทั้งหลายเป็นสุขความมัวเมาความประมาทก็บังเกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลพระบุมีพระภาคยา้าจึงทรงแยกสิ่งที่บุคคลยึดถือออกไปเป็นสี่กลุ่มคือเป็นรูปของกายเวทนาจิตธรรมให้บุคคลทำใจให้สงบ แล้วก็ใช้ปัญญาพินิษพิจารณาดูสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดความรู้ความเห็นที่ถูกตรงว่าสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ได้สวยงามอะไรในข้อต่อไปนั้นคือเห็นว่าสิ่งซึ่งไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไ, ไม่ใช่เราไม่ใช่เขา กลายเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นโนขึ้นมาความยึดถือในลักษณะที่เป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาเป็นของเราของเขาก็บังเกิดขึ้นความสําคัญมั่นหมายการแก่งแย่งการหักล้างการทําลายซึ่งการและการก็บังเกิดขึ้นตัญหาที่มีอยู่ภายในจิตใจก็จะเพิ่มสูงขึ้นมานะความถือตัวในลักษณะต่างๆ ก็จะเพิ่มขึ้นทิฏฐิความคิดเห็นที่วิปริตแปรปรวนไม่สรงต่อความจริงก็จะเพิ่มปริมาณสูงขึ้นทำให้บุคคลหลงทางแห่งชีวิตเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงชี้ความจริงว่าธรรมทั้งหลายคำว่าธรรมทั้งหลายนั้นเป็นการรวมสิ่งสองสิ่งไว้ด้วยกัน คือสิ่งที่เป็นสังขารหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยและกับสิ่งที่เป็นวิสังขารคือไม่มีเหตุปัจจัยไม่มีเครื่องปรุงแต่งได้แก่พันิพานรวมแล้วก็เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคำว่าไม่ใช่ตัวใช่ตนนั้น ถ้าหากไม่ทำความเข้าใจให้ท่องแท้ตามนะยะที่ทรงอธิบายก็จะอาจอาจจะเกิดความสับสนขึ้นมาได้แล้วปฏิบัติผิดได้อย่างเรื่องราว ท, ที่ทราบกันโดยแพร่หลายเช่นที่ท่านบรรยายไว้ในเรื่องการมณิวาสิทธีคำสอนของวาาัดจตุศที่สอนโจรองคลีมานั้นก็สอนในแนวอนัตตา แต่ไม่ได้รับสมมติสัจจะ ก, การหลงประเด็นในการดำเนินชีวิตก็เกิดขึ้นคือฆ่าคนไปได้อย่างสบายๆพราะนายคำสอนเหล่านั้นถือว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นแต่วัตถุแทรกเข้าไปในวัตถุดาบก็เป็นวัตถุคนก็เป็นวัตถุคนถูกฆ่าก็เป็นวัตถุเลยไม่มีบาปไม่มีผู้ทำบาปและไม่มีการกระทำบาปนี่เป็นคาสอนที่ผิด เป็นการเข้าใจความเป็นอนัตตาแห่งธรรมทั้งหลายผิดอนัตตานั้นทรงให้ความหมายไว้เมื่อกล่าวโดยสรุปจากที่ต่างๆได้แก่การที่สิ่งทั้งหลายไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเจ่วร่างกายซึ่งบุคคลไปกำหนดหมายว่าเป็นของเรานั้น เมื่อลองตรวจสอบดูว่าสิ่งที่เป็นของเรานั้นคือเราจะใช้เราจะเปลี่ยนแปลงเราจะซื้อหาเราจะทิ้งก็เป็นไปได้ตามที่ใจเราปรารถนาแต่ว่าร่างกายเป็นเช่นนั้นไหมเราเลยร่างกายไม่ได้เป็นเช่นนั้นยามเจ็บไข้เราต้องการไม่ให้เจ็บมีเหตุปัจจัยให้เจ็บแกก็เจ็บแกผมจะงอกฟันจะหักร่างกายจะทุพลภาพไปซึ่งใครก็ไม่ต้องการทั้งนั้น แต่เราบังคับไม่ได้ขอร้องก็ไม่ได้อ้อนวอนก็ไม่ได้จะทายังไงก็ไม่ได้นี่แสดงเห็นว่าเราบังคับสิ่งต่างๆไม่ได้อาจจะอาจทำได้เพียงชะลอชะลอไปเท่านั้นเองแต่ว่ามีบางสิ่งที่เราบังคับไม่ได้เลยเช่นว่าเกิดแล้วจะบังคับไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ในช่วงนั้นจะบังคับไม่ให้มีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นต้นบังคับไม่ได้ทั้งหมดแล้วข้อต่อไปก็คือว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงไม่ว่าอะไรก็ตามที่บุคคลไปยึดถือเอาไว้ในชั้นทั่วทั่วไปที่ทรงแสดงไว้ว่า ทรทย์ก็ไม่มีบุตรก็ไม่มีญาติพี่น้องก็ไม่มีเพราะว่ากันตามความเป็นจริงแล้วตัวของตนก็ยังไม่มีทราบญาติมิตรบุตรเป็นต้นจะมีมาแต่ที่ไหนคนเราก็เกิดมาด้วยกรรมของตนเองอยู่ด้วยกรรมของตนเอ ง, อ ง, งไปด้วยกรรมของตนเองก็ต่างคนต่างไปต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมานี้ในแง่ที่เป็นสัจธรรมส่วนในชั้นของสังคม ชั้นของจริยธรรมก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งคือเมื่อต้องเกี่ยวข้องกันในฐานะนั้นๆก็ต้องปฏิบัติตามสมควรแก่หน้าที่ของตนที่ทรงใช้คำว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติแต่ว่าโดยความเป็นจริงแล้วไม่มีใครเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงแม้ตัวของเราก็ไม่เป็นเจ้าของต้องทอดทิ้งร่างกายซึ่งพยายามประครบประงม พยายามบำรุงรักษามาเป็นเวลานานเอาไว้อย่างที่ทรงสอนให้บุคคล พ, พินิษพิจารณาว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมสลายไปการที่ทำใจให้สงบระงับจากความยึดถือในสังขารเหล่านั้นจะได้เป็นความสุขและในข้อต่อไปก็ว่า เป็นของที่ว่างเปล่าจากตัวจากตนจากเราจากเขาเมื่อย่อยออกไปแล้วก็สักตะวัดินสักตะวนันน้ำสักตะวัลมสักตวะไฟย่อยออกไปก็ออกมาเป็นอนูเป็นปรมณูเป็นต้นแต่ว่าการคุมกันเป็นก้อนเป็นกลุ่มของขันธาตุอยนายตนะนั่นเองทำให้ความหลงผิดเหล่านี้บังเกิดขึ้นพระภูมีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงมหาสติปัฏฐาในสูตร เพื่อถ่ายถอนวิปลาสทั้งสีประการนี้ออกไปจากจิตใจเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงของผู้ประพฤติปฏิบัติต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป